ก็แม้ในข้อนั้นเพราะเหตุที่เมื่ออินทรีย์ on, สังวรสําเร็จศีลทั้งปวงจึงเป็นอันรักษาดีแล้วคุ้มครองดีแล้วเพราะฉะนั้นพระเถระประสงค์จะแสดงอินทรีย์สังวรก่อน <c oughs> เมื่อจะประกาศโทษในการไม่รักษาอินทรีย์และอ น, นิสงฆ์ในการรักษาอินทรีย์ก็ได้กล่าวไปอย่างที่กล่าวไปว่าผู้ที่ไม่รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใช่ไหม ถ้าผู้ใดรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เนี่ยนะคำนั้นมีอธิบายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดด้วยประตูคือสติย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่บุคคล น, นั้นโดยเป็นประตูให้บาปธรรมมีอภิชาเป็นต้นเป็นไปในรูปเป็นต้นที่ปิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะไม่มีอภิชาเป็นต้นเนี่ยนะ อันนี้ลักษณะของอ า, อายตนะบัพพาเนี่ยชัดเลยนะเพราะถ้าผู้ใดไม่ปิดประตูด้วยสติเนี่ยนะเช่นพึงทราบชัดจักสุพึงทราบชัดรูปพึงทราบชัดสังโยชตที่อาศัยจักสุกับรูปอันถ้าไม่มีสตินะสังโยชตที่อาศัยจักสุกับรูปจะเข้ามาทันทีเนี่ยนะถ้วเข้ามาถ้าผู้ที่เจริญสติก็จะรู้อีกว่าสังโยตที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วย ประการใดถ้าสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดถ้าละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดอะ่ะท่านเนี่ยที่ลืมตากันเนี่ยเราเห็นไหมสังโยชน์มันเข้ามาเกาะเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยอภิชากับโทมนัทเนี่ยเกิดไหมมันเจริญยังไงพอทบตัวได้ไหมเอ้เนี่ยลืมตาขึ้นแล้วเนี่ยจะเจริญยังไงกําหนดยังไงดีคุณจูศรีลืมตาเห็ น, ลนและ ทำยังไงอะคัะนี้ทำยังไงจะได้ไม่ชอบแต่ก็ไม่ชังอนะนะอะอภิชาคือความชอบโทมนัสคือความชังว่างั้นเถอะเห็นยังไงจึงจะไม่ชอบและไม่ชั ง, งสังวรต้องต้องทําตัวเฉยๆใช่ไหมเห็นอะไรก็ต้องทําตาแบบเฉยๆอย้าวว่ า, า, า, า, าไปว่าไ ป, ไป ลองยกตัวอย่างไอ้ฉลาดคิดมาสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้ครอัน้นกาเาทไมู่กอ่าามีความิทาวิทยาศาก็สคัญกอนแล้วแต่จะน้อมไปใช่ไก็แสดงว่าข้อมูลดีมากกคิดให้เป็นสัตว์ทินซีก็ได้ คิดให้เป็นกรุณาก็ได้ก็แล้วแต่จะน้อมไปคิดเนี่ยนะคือการน้อมคิดแบบนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลจะดีก่อนถ้าคนไม่ฉลาดคิดนะศีลยังไม่ดีถ้าถ้าอภิชาเกิดนะสมมติเราเห็นปั๊บโลภะเกิดอะคำพูดจะเป็นแบบไหนต่อมาที่จะตามมาเพราะโลภะเป็นสมุทานถ้าเห็นแล้วไม่ชอบไอโทสะที่เกิดขึ้นนะมันจะทาให้พูดยังไง สีหน้ากิริยาท่าทางเป็นต้นเนี่ยจัดตามมายังไงอันนี้คือผู้ที่ไม่ปิดด้วยสังวรคือสติะนะแต่ถามว่าเห็นแล้วอภิชาโทมนัทมันเกิดมันเป็นยังไงก็บอกเนี่ยที่เราเห็นทั้งหมดทุกวันนี่แหละที่เราเห็นคนอื่นที่เขาไม่บําเพ็ญไตรสิกขานี่คือตัวทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างแห่งอภิชากับโทมนัทเหมือนั้นเถอะไม่เลยอัิแง่ของอภิชากับโทมนัทไม่ต้องอธิบายมากเหมือนั้นเถอะ เห็นแบบคนไม่ได้ศึกษาคําสอนนี่แหละเรียกว่าเห็นด้วยอภิชากับโค ม, มันนั้นทีนี้ท่านบอกว่าให้ปิดด้วยประตูคือสติเนี่ยนะบทว่าอินริยาเนวะสารขังความว่าพระเถระเมื่อจะแสดงว่าเหตุที่อินรีสังวรบริบูรณ์ย่อมทาให้ศีลสัมปทาบริบูรณ์ศีลสัมปทาบริบูรณ์ย่อมทำสมาธิสัมปทาให้บริบูรณ์ สมาธิสัมปทาบริบูรณ์ย่อมทำปัญญาสัมปทาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการรักษาอินทรีย์จึงเชื่อว่าเป็นมูลรากแห่งการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แห่งตนแท้ท่านจึงกล่าวว่าการรักษาอินทรีย์เหล่านั้นอธิบายว่ารักษาด้วยการอารักขามีสติเป็นเบื้องหน้าเป็นอันดับแรกรักษาโดยชอบซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายด้วยโยนิสโสมนัสิการคือปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้โดยประการที่โจรคืออกุศล ไม่เข้าไปทางทาวารนั้นนั้นปล้นเอาทราบคือกุศลใ น, ในจิตสันดานนันะนั่นก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาในกุศลเสื่อมแน่จากประโยชน์อันนี้ทาให้เห็นว่าปกติใครที่จะรักษาอินทรีย์สังวรนะอย่างน้อยที่สุดต้องมีกุศลมาก่อนแล้วที่จึงจะมาปาราบการอินทรีย์สังวรขึ้นนะต้องเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนไม่ใช่ว่ายูยูเนี่ยขึ้นอ่ะจากั้นจะสังวรละ เลยนั่งหลับตาปีเลยนะแต่ก็ยังนึกอภาพข้า้งนันจะเป็นยังไงว่าหลับตาแล้วนะก็ยังอยากรู้อีกนะนะหลับตาดูซิว่าเขาจะคิดยังไงอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็ไม่ใช่พื้นฐานของอินทรีย์สังวรอย่างที่กล่าวนะเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยต้องสมาธานศีลไว้ก่อนหรือสมาธานในการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เจริญมาก่อนหน้านี้ดีแล้วทีนี้เช่นถ้าสมาทานศีลห้านะ ถ้าจะสังวรก็คือต้องสังวรให้มันคู่ควรแก่การรักษาศีลห้าต่อไปได้เช่นถ้ารักษาอุโบสถศีลแปดเนี่ยนะจะต้องดูยังไงจึงจะไม่ผิดศีลแปดอ่ะเนี่ยนะอันนั้นแหละตอนเย็นๆเนี่ยขับรถกลับบ้านเนี่ยคิดยังไงบ้างวันที่รักษาศีลแปดอ่ะนะร้านไหนที่เราเคยแวะนี่คิดยังไงบ้างก็ต้องสังวรด้วยว่าเอ้ต้องไม่ดูก่อนอ่ะหรือจะทํายังไงดีอาจารนิดนิดทําไงมันที่สมาทานอุโบสถเนี่ยนะ หรือหันไปในครัวนี่เธอคิดยังไงบ้างเนี่ยสวดมนต์ไปนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ร้านนู้นก็อร่อยร้านนี่ก็ดีนะเดี๋ยวก็เอาแล้วนี้แวะท่านหน่อยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็พอเห็นร้านตั๊บคิดถึงว่าที่บ้านเรามีอะไรบ้างอนะพอที่จะอันนั้นพวกนั้นไม่มีอินทรีย์สังวรอะไรนันก็คือพื้นฐานเนี่ยต้องเจออย่างเช่นอย่างที่กล่าวไปต้องรักษาศีลแปดอยู่แล้ว แล้วก็จึงสังวรให้ศีลอันนี้มั่นคงขึ้นหรือผู้ที่รักษาศีลห้าดีอยู่แล้วก็ปรารบถึงอินทรีสังวรอันนี้ถ้าเจริญเมตตาอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องฝึกดูใช่ที่จะไม่ให้เมตตาเนี่ยเสียหายเพราะว่าการดูบางอย่างเนี่ยนะที่เป็นอาสั ป, ปายะนะเมตตามหายหมดเลยถ้าเจริญอสุภาอยู่ไปคิดบางเรื่องอยู่นะอาอสุภาหายไปหมดเลยอสุภาษั ญ, ญนะ เออกุศลละจิตอันนั้นหายแล้วก็ฝึกคิดฝึกเจริญทำให้จิตเป็นไปกับกุศลให้ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะถ้ายกตัวอย่างคือทวารตาเนี่ยก็น่าจะสติปัะญานบัพพานะกายานุปัสนาทั้งเรียนมาก็มากแล้วก็ฟังซ้ำในเทพในวิทยุอีกนะไม่ทราบไปพิจารณากันยังไงบ้างอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานาการีโหตเนี่ยนะทสัมปชัญญะในการ แลเหลียวเนี่ยเนะียเจริญยังไงบ้างอาจารย์เคสอนไม่ได้ถามนานๆนชักจะลืมละตอนนั้นตอบได้หมดเลยตอนนี้ไม่ไหวละเอาไปมาไม่แลเหลียวเหรอแลเหลียวพิจรารณาว่าไงมั้งอ่านะก็สัมปชัญญะสี่ใช่ไหมศาสตะกาสัมปชัญญะดูทําไมนะประโยชน์ของการดูก่อนเถอะนะ อย่างน้อยที่สุดถ้าดูแล้วเสียสีนนี่อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์แน่นอนถ้าดูแล้วยังรักษาสีนไว้ได้ก็พิจารณาอีกทีว่าส ป, ปายะไหมล่ะถึงไม่ผิดสีนแต่ก็ถามต่อไปว่าส ป, ปายะไหมสองขณะที่ดูอยู่เนี่ยเจริญกรรมฐานอะไรอยู่หรือเปล่ า, านะนะฝึกเจริญอธิการสัญญาอย่างผู้การว่าก็ได้น ะ, <c oughs> เ, นะเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะ <c oughs> นะด้านนิด เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เลยนะส่องไปทางไหนทะลุโปร่ปงหมดเลยอยงนั้นนะถ้ามองหน้าก็มองหน้าเห็นหน้าผากเนะี่ยทะลุถึงกระโหลกหน้าผากเลยนะเอ็กซเรย์สมองไปสแกนสมองเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดเลยนะก็เห็นถ้าตรงปากปั๊บเนี่ยส่องไปถึงฟันเลยนะลึกไปถึงคอเลยนะจริงๆหน้าจะเจริญได้นะฟันนะฟันนะเป็นหน้าต่างของกระโหลกครับ ค่คติเรเห็นกระโหลกจะไม่เห็นกระโหลกนะฮะแต่ฟันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระโหลกที่ทําให้แปลว่าเห็นฟันเมา่อไหร่ผมว่าเราเห็นส่วนหนึ่งของกระโหลกจริงๆส่วนหนึ่งของกระดูกนะรกระโหลกก็คือกระดูกก็จะเห็นส่วนหนึ่งเลยนะนี่ทั้งนี้ก็เราก็เสียเปรียบจางเกษรานะเอาเป็เจริญมามากหรือเปล่ามั่นเนอะถอดเห็นปั๊บเนี่ยทะลุโปร่งอย่างนั้นเลยนะคุณสุจิน อ่ากำลังฝึกไว้อะ น, น ะ, ะก็ฝึกเจริญอย่างงั้นอ่าคืออันนี้เป็นเบื้องแรก น, นะนี่ยยังไงก็อย่าไปไอายนกมันนนะ น, นกแขกเต่ามันยังอะไรนะคุณนภากระดูกกรนะดูกกระดูกหน่อยกระดูกข้ากระดูกมันจะไปแตกกระจ ก, กระจายที่ไหนนาะ <c oughs> พระรูปหนึ่งนั้นเดินบินธบาตนะเห็นผู้หญิงหัวเราะท่านไม่ได้ใส่ใจว่าอะไรหรอกเห็นฟันตับอธิกะสัญญานี่ข้ามาเลย อันนั้นพื้นฐานเจริญอธิกาสัญญาก็เลยเห็นโงกระดูกเดินได้หัวเราะดังเสียงลั่นไปนู่นแหละ อ, อันนั้นก็คือแปรรบอธิกาสัญญาเนี่ยนะก็เจริญอธิกาสัญญาให้มากดีเหมือนกันเนะ่ะนึกเงินมาได้เออกระดูกขี่รถเครื่อง <c oughs> ซ้อนด้วยกระดูกอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งโครง <c oughs> กอดกระดูกข้างหน้า <c oughs> อ, อ่าออ <c oughs> ทีดีนะลูก กระดูกนี่แตกกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนเนาะกระดูกไปเรี่ยไรที่ไหนเนาะกระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกกระโหลกศีรษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกตับกระดูกไตเอยไม่มีนะกระดูกตับไม่มีกระดูกไตก็ไม่มีมันพวกกระดูกซี่โครงทั้งหลายเนี่ยจะไปแตกกระจัดกระจายเรี่ยไรอยู่ที่ไหนเนาะถามว่าคิดอย่างเงี้ยแช่งเขาหรือเปล่าเอานะคิดให้ดีกันนะ เนี่ยมันจะไปเที่ยวแช่งเขาเอ่นนะเดี๋ยวกายเขตายหมดอหะไม่ใช่แบบนั้นอันคือคือมีความเข้าใจถึงชีวิตจริงๆว่าโอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นโครงร่างเป็นศริรีระก็คือความประชุมของกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นเหมือนกับโครงร่างของร่างกายเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันแตกทําลายไปมันก็เรียกว่าคูดคนตายไปอะไรไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีบุคคลใดที่ที่กระดูกจะไม่ กระจัดกระจายใช่ไหมที่สุดก็กระจัดกระจายเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนั้นที่เราเนี่ยบางทีทำบาป ท, ทำอกุศลกรรมทั้งหลายก็เพราะไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงนั่นเองเนี่ ย, น, ย น, นั้นถ้าจะเจริญส ม, มถะแล้วก็ต่อด้วยวิปัสสนาก็ได้นะให้ระลึกถึงอริยศาสตร์ไว้บ้างก็ดีนะอัิอธิสมุทัยอธตินิโรธอธินิโร ธ, ธ, โรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยนะั ก็ระลึกต่อไปก็ได้นะเอาอาสัตว์เออกระดูกนี่เป็นทุกขาราัตว์เพราะว่ากระดูกนี่ไม่เที่ยงนะ ไ, ไม่เที่ยงก็ได้ได้อาจารย์กสอต่อด้วยอะไรอันตัดใจปรุงแต่งไงอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปร ى, ปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกขเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขนะนี่เขาบอกว่าปวดอะไรจะปวดเท่าปวดกระดูกไงอ่นานะครับจึงเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกกายแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการทุกใจอีกนีนะีนะนะนะ่ก็ทุกทั้งมวลก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกข์อย่างอื่นอีกนะสังขารทุกขก็เพราะว่าร่างกายโดยทั่วไปก็อาศัยกระดูกนี้ไปเกาะอยู่ใช่ไหมพวกเนื้อพวกเอน็นพวกอะไรทั้งหลายแหลน่นี่ก็ไม่ไปอาศัยกระดูกอีกครั้งนึงไม่ได้มีความแข็งแรงในส่วนตัวอะไรเลยผลทาร่างกายนี้ถ้าไม่มีกองกระดูกมนะี่จะตั้งอยู่แบบนี้ไหม ไม่ได้นะก็ไปกองอยู่กับพื้นหมดเลยนะถ้ากระดูกมันหักหมดเลยนะมันไปกองอยู่กับพื้นหมดนั่งโครงกระดูกเนี่ยประกอบยกร่างขึ้นไว้น้อนไปใไข้ครวญอย่างนี้บ่อยๆก็แล้วก็ทําปริญญาต่อไปแต่ถ้าจะพิจารณาใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนกันเถื่ย้อนเข้ามาภายในเนี่ยนะก็เจริญอะสำโมหะสัำปชัญญะในขณะที่เห็นในขณะที่เห็นน่นนะ แต่ที่ลืมตาเห็นเนี่ยอะไรทำให้ลืมตาขึ้นมีใครไปดึงเปลือกตาบนไปดึงเปลือกตาล่างไหมหรือมีครีมเป ง, งัตไหมไม่มีอาศัยจิตชาวายโยธาเป็นปัจจัยให้เรียกว่าลืมตานะหนังตาล่างก็หดลงหนังตาบนก็เลิกขึ้นโดยอาศัยจิตชาวายโยธาอันนี้พอทัศนวิสัยคือจกักขูปัสสาธา พ, พอได้โอกาส กับรูปารมอาศัยแสงสว่างการเห็นก็เกิดขึ้นเนี่ยนะเั้นการประชุมของสิ่งเหล่าเนี้ยการเห็นจึงเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธอัตตาก่อนว่าที่เห็นนั้นอนะ่ะไม่มีใครอยู่ในตาเดี๋ยนะแล้วก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปจัดแจงในการเห็นเลยแต่ว่าอาศัยปัจจัยประชุมนั่ง น, นั้นอนะ่ะทําให้เกิดการเห็นขึ้นนี่ต่อไปก็แบบมูลปริญญาใช่เห็นก็ มูลปริญญาก็คิดง่ายนะคิดเรื่องจกักรครูทวารวิถีอะจําได้ก็ใช้ได้แล้วเอามาคิดถึงจกักรครูทวารวิถีนะก็อาศัยจกักรครูกับรูปเกิดจกักรคูวิญญาณนะทำนะธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นผัสสะผาสสก็เป็นปัจจัยจึงมีเกิดมนัสิการขึ้นอันนะัคือถ้ามนสิการการเห็นก็เกิดถ้าไม่มนสิการการเห็นไม่ไม่นะัสิการก็ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อมนสิการ เห็นจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณโวัทัพณะชาวนะก็เกิดต่อมาถ้าโดยลำพังในจักขูทวานวิถีเนี่ยชาวนะในจักขูทวานวิถีเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นอะไรเลยไม่รู้อะแค่รับรั บ, รบเห็นเฉยเฉยเรียกว่ารับรับเห็นนั่นแหละแต่ว่าไปไข้ครวญไปพิจารณารับรู้เรื่องราวอะไรไม่รู้สักอย่างนั่นแหละ อันนี้เรียกว่าเป็นตัวที่เป็นมูลแห่งการเห็นก็คือตั้งแต่จกักรคูวิญญาณไล่มาเรื่อยใช่ไหมอันนี้เป็นมูลแห่งการเห็นเป็นการเข้าไปนึกคิดทั้งหลายแหล่นี่ยติดตามมาแล้วก็พิจารณาต่อไปอีกก็คือโดยตาวากาลิกะใช่ชั่วคราวทั้งนั้นแหละนะนะมานัสการก็ตัวมนานัสการนะคือปัญจทวาราวัชนะหรือจกักรคูทวาราวัชนะก็ชั่วคราวมันก็หมดไป จิตเห็นก็ชั่วคราวสัมปติชนะสันติระณะ น, นะทุกอย่างอะชั่วคราวหมดเลยการเห็นเนี่ยชั่วคราวหมดเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาโดยอาการตุกะอาการตุกะเนี่ยนะจิตเห็นเป็นต้นนี่เรียกว่าเจ้าเจ้าทีนะ่เจ้าของเรือนส่วนชวนะเป็นอาการตุกะตาอาจาัคคูทวาราวชนะ จะคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณโาวทัพนะไม่มีความกําหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความลุ่มหลงควรหรือที่จะปล่อยให้ชาวนะเนี่ยกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงใช่ไหมไม่ควรเลยนั่นนะทีนี้พิจารณาไงต่อไปก็ประชมประมวลสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันเป็นอายตนะะเป็นธาต จริงๆอ่ะการเห็นก็คือขันมันประชุมกันนั่นแหละการเห็นจึงเกิดอายตนะประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าเห็นธาตุประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าเห็นหรือปัจจัยประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าเห็นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงนนะอาศัยการเกิดขึ้นเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ถ้าใครครวรแบบนี้มากๆถามว่าโมหะจะลดลงไห คิดอย่างนี้บ่อยๆนะโมหะลดไหมน่าจะลดลงนะก็สำคัญที่ว่าไปคิดบ่อยหรือเปล่าแค่นั้นที้ถ้าไม่รักษาล่ะคือถ้าไม่รักษาอินทรีย์ไม่เจริญสัมปชัญญะทั้งสี่ประการอย่างที่กล่าวไปนี่ยนยะเสียหายอะไรบ้างเพราะว่า ถ้าไม่มีความเข้าใจในการฝึกเจริญอินทรีย์เหล่านี้นะยังไงก็ศีลไม่บริบูรณ์แน่นอนคือถ้าไม่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้เอาไว้ให้มากนะศีลก็ไม่บริบูรณ์ที่ไม่บริบูรณ์นี่เพราะอะไรเพราะบุคคลเมื่อไปถือในอารมณ์นั้นด้วยอำนาจของอภิชาหลังจากนั้นคำพูดก็จะมีอภิชาเป็นสมุทฐาน กายกรรมก็มียพิชาเป็นสมุทฐานถ้าไม่ไปเจริญไปพิจารณานะีก็ไปถือโดยโทสะถ้าไปถือนิมิต ด, ด้วยอานาจของโทสะเข้าหลังจากนั้นก็จะเป็นคําพูดที่เกิดจากโทสะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราเห็นสีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่และเราก็ชอบเราก็ตอนหลังเนะีเราก็จะพูดด้วยความชอบจากที่เคยเห็นแบบนั้นถ้าเราไปเห็นแล้วเราไม่ชอบหลังจากนั้นก็จะมาพูดตามอํานาจของความ ไม่ชอบเนี่ยนะเพราะว่าภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้งที่ทเป็นกุศลเวทนาที่เป็นอกุศลได้หมดเลยมันก็หมั่นฝึกเจริญให้เป็นกกับกุศลเอาไว้เนี่ยนะในในะอัตกถาที่บายต่อไปอีกนะเนี่ยนะว่าถ้าผู้ที่เจริญอินทรีสังวรเนี่ยนะนอันนี้ต้องในทวารทั้งหกนะไม่ใช่ทวารเดียวนะนะอันนี้พอเป็นตัวอย่างให้ใน จากขู่ทวารก็ไปฝึกคิดในโสตทวารอีกเหมือนกันเยนะเอาสัมปชัญญะสี่ไปจับเลยนะทำยังไงฟังอะไรมีประโยชน์บ้างศาสตรกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะนำกรรมฐานได้ไหมเสียงที่ฟังส ป, ปายะไมมนี่ต่อไปอีกถ้าจะเจริญต่ออีกก็คืออาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะก็เจ็ดปดวิธีที่กล่าวไป ตั้งแต่ปฏิเสธอัตตามูลปริญญาอาคันตุกะตาวะกาลิกะขันยตนาธาตและปัจจัยนั่นเองก็ไปไค้ครวนตามนั้นนะนี่นี่ถ้าเป็นที่ผู้ที่เป็นพหูสูรก็เอาประกรณ์ต่างๆประชุมลงมาก็ก็ได้ละเพราะว่าคำสอนโดยเฉพาะในอภิธรรมเนี่ยนะก็จะขยายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ชัดเจนขึ้นพระปาราปริยะที่ จะกล่าวต่อไปอีกเนี่ยนะถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากขุนสีอันเป็นไปในรูปทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยนี่นะคือถ้าไม่ห้ามตาให้เป็นไปในสีก็แปลว่าตานะแปลว่าชอบนะก็ชอบดูชอบเห็นใช่ไหมเพราะว่ารูปปฏารูปปฏานหาเป็นปัจจัยให้มีตาอยู่แล้วเมื่อมีตาจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะจะไปดู เมื่อไปดูเขา้านะถ้าเพลิดเพลินในการดูอ่ะผู้นั้นก็จะไม่พ้นไปจากทุกเพราะอะไรเพราะว่าการเพลิดเพลินในการดูอะคือการอะไรนะีสร้างตาใช่ไหมมันก็จะมีตาอันต่อไปเนี่ยเรื่อยมันถ้ายินดีชอบดูเท่าไหร่ก็ชอบที่จะมีตาไปเท่านั้นแหละไม่มีไม่มีกุดในระหว่างเหมืนกันเถอะแต่ว่าอาจจะตาบอดได้นะ อันหนึ่งผู้ใดไม่ห้ามโสตินสีอันเป็นไปในเสียงทั้งหลายยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยไม่เห็นโทษในเสียงก็เท่ากับว่ายินดีในหูนั่นเองนะถ้าไม่เห็นโทษในเสียงก็ยินดีในหูเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นไปจากหูไปได้อะไม่พ้นไปจากทุกคือไม่พ้นไปจากหูโอ้มีหูอีกนานนะเอาใบหูใหญ่เลยเอาเอาใหญ่แค่ไหนดีคุณนภาเอาให้พอดีพอดีให้มันสมหน้าสมตานะเอางั้นอะนะ เอาก็ยังอยากได้อยู่เองนะนึกว่าพอแล้วถ้าผู้ใดไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกยอ่อมเอ่อส่องเสพกลิ่นผู้นั้นก็เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในกลิ่นย่อมไม่พ้นไปจากทุกขเลยเนี่ยนะก็คือไม่พ้นไปจากอะไรชอบกลิ่นเนี่ยนะไม่พ้นไปจากจมูกนะพันจมูกบางทีมันต้องยาวนะเอาไว้เพื่อจะไปดมดูว่าอะไรมันเป็นอะไรนะเคยเห็นสัตว์จมูกยาวๆไหม จะไปสูดดูสิว่าเขามันกลิ่นอะไรอยู่ตรงนั้นว่างเนะอันนี้ก็คือความที่เพลิดเพลินในในกลิ่นนั่นเองทั้นก็สยบด้วยคันธ่าตันหาเขาท่านก็มีจมูกอีกน้อนเลยไนหะนี่จมูกจะสั้นจะยาวจะแบนจะแฟบจะฟอร์จะยังไงก็ว่าไปตามนั้นไปนสรุปว่าทำให้มีจมูกอีกกั่นะ แต่บางคนนี่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ได้กลิ่นเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะมันอยู่ในห้องอ ก, ก็ต้องพ่นน้าหอมเข้าไว้ก็ต้องพ่นน้ําหอมปลูกต้นไม้หาอะไรให้มันได้กลิ่นโชวอยู่ตลอดจึงจะมีความสุขเหมือนกันเะมันมีความสุขกับกลิ่นมากมันก็ไม่เป็นไรก็ได้จมูกอีกนานหน่อยนะ <S <S 1> <S 1> นนก็ฝึกฝึกเจริญกุศลเอาไวให้ดีนั้นไเกิดจมูกยาวมากก็ไม่ดีสั้นมากก็ไม่ได้ทันี้มันแหวงเข้ากับเดือดร้อนนี่เหมือนกันนะปากโว่จมูกแหว่งพวกนี้นะ เพดานโหว่นะมันก็แหวงมาถึงจมูกด้วยนะไอ้แหวงเนะี่ยมันแหว่งสูงมากผู้ใดมัวคํานึงถึงรสเปรี้ยวรสหวานและรสขมไอ้รสขมเนี่ยเขชอบนะเช่นพวกเครื่องดื่มบางอย่างมันขมก็ชอบนะดีขมก็พวกกาแฟนี่มันก็ขมๆนะแต่กาแฟไม่ขมนะเอาไหมพวกกาแฟเป็นต้นหรืออาหารบางอย่างอ่ะนะก็ขมๆ น, นิดๆนะ แกงเลียงบางอย่างก็ใส่ผักบายงอย่างที่มันขมๆหรือว่าแกงบางอย่างก็ขมผักเนื้อขมไหมพ่อครับขมนิดๆไหไม่ขมผักอะไรนีมันขมิดๆนะไม่ขมผักอะไรเนี่มันขมนิดๆนะเมื่อเมื่อถึงแกงที่พ่อกรับแกงจะมีขมนิดๆอยู่ไม่รู้อะไรจําไม่ได้แล้วไม่ไหนๆขี้เหล็กก็ขมหรือสดาวนี้ก็ขมอันเนี้ย